อนุสติข้อที่หกเทวตานุสติกถาวิธีเจริญเทวตานุสติการรมฐานก็แลโยขีคีบุคคลผู้มีความประสงค์เพื่อจะเจริญเทวตานุสติก ร, รมฐานพึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นอันสำเร็จมาด้วยอำนาจแห่งอริยมาร แต่นั้นพึงไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ณนะเสนาสนะอันสมควรพึงระลึกอยู่เนืองๆถึงคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นของตนโดยตั้งเทวดาทั้งหลายไว้ในฐานะเป็นพยานอย่างนี้ว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกามีอยู่จริงเทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่จริงเทวดาชั้นยามามีอยู่จริง เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่จริงเทวดาชั้นนิมาณ ร, ร, ด, ารดีมีอยู่จริงเทวดาชั้นปรนิมิตาสวัตตีมีอยู่จริงเทวดาชั้นพรหมกายิกามีอยู่จริงเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีอยู่จริงเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาชนิดใดครันจุดติดจากโลกนี้แล้ว จึงไปบังเกิดในภพนั้นนั้นศรัทธาชนิดนั้นแม้ในเราก็มีเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลชนิดใดประกอบด้วยสุตตะชนิดใดประกอบด้วยจาคะชนิดใดประกอบด้วยปัญญาชนิดใดครั้นจุติจากโลกนี้แล้วจึงไปบังเกิดในภพนั้นนั้นศีลสุตตะจาระ และปัญญาชนิดนั้นๆแม้ในเราก็มีอยู่ชนิดนี้แต่ว่าในพระสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ามหานามะในสมัยใดอริยาสาวกย่อมระลึกเนืองๆถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นในสมัยนั้น จิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวนดังนี้ถึงจะตรัสไว้ดังนั้นก็ตามแต่นักศึกษาพึงทราบว่าพระพุทธพจน์นั้นตรัสไว้เพื่อประสงค์จะทรงแสดงถึงคุณอันเสมอกันทั้งของพวกเทวดาที่ตั้งไว้ในฐานะเป็นพยานทั้งของตนโดยคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น จริงอยู่ในอัถกถาท่านก็กล่าวไว้อย่างมั่นเหมาะว่าย่อมระลึกเ น, อเนืองถึงคุณทั้งหลายของตนโดยตั้งเทวดาทั้งหลายไว้ในฐานะเป็นพยานองชาญห้าเกิดเพราะเหตุนั้นเมื่อโยกขีบุคคลระลึกอยู่เ น, อเนืองถึงคุณทั้งหลายของเหล่าเทวดาในภาคต้นแล้ว จึงระลึกเนืองๆถึงคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นอันมีอยู่ของตนในภายหลังในสมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวนจะไม่ถูกโทสะรบกวนจะไม่ถูกโมหะรบกวนในสมัยนั้นจิตของเธอก็จะปรารบตรงดิง่งถึงเทวดาทั้งหลายด้วยประการฉนี้ องชานทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรได้แล้วในขณะเดียวกันโดยในยักษ์ก่อนนั่นแลก็แลเพราะเหตุที่คุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเป็นสภาพที่ล้ำลึกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอนันระลึกถึงคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่งฌานจึงขึ้นไม่ถึงขั้นอัปปนา ขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นฌานนั้นย่อมถึงซึ่งอันนับว่าเทวตานุสติฌานก็โดยที่ระลึกถึงคุณมีศรัทธาเป็นต้นเช่นเดียวกับคุณของเทวดาทั้งหลายนั่นเองอานิสงส์การเจริญเทวตานุสติกรร ม, มฐานก็แหล ภิกษุผู้ประกอบซึ่งเทวตานุสติกรรมัฐานนี้อยู่เนืองเนืองย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายย่อมจะประสบความไพยบูรด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นโดยประมาณยิ่งเป็นผู้มากล้นด้วยปีติและปราโมชก็แลเมื่อยังไม่ได้แทงตลอดคุณในวิเศษชั้นสูงขึ้นไปในชาตินี้ก็จะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เพราะเหตุฉะนั้นแหละโยคาวาจรบุคคลผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในเทวตานุสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพนานามานี้ในการทุกเมื่อเทินกระถามุกพิสดารในเทวตานุสติกรรมฐานยุติลงเพียงเท่านี้ ข้อความเบ็ดตเตล็ดก็แลในวิตถารเทสนาแห่งอนุสติหกประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์ทั้งหลายมีอาธิว่าในสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปรารบตรงดิ่งถึงตถาคตดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ใดไว้ว่ามหานามะ กแลริยาสาวกผู้มีจิตรรรรร ต, รรตรงยอมได้ความยินดีในอัฏถะยอมได้ความยินดีในธรรมะยอมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติยอมเกิดแก่ผู้มีความปราโมทชนี้อัฏฐทีบายในพระพุทธพจน์นั้นนักศึกษาพึงทราบดังนี้ที่ตรัสว่ายอมได้ความยินดีในอัถะนั้น หมายเอาความยินดีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจความของพระพุทธคุณมีคำว่าอิติปิโสพัวาเป็นต้นที่ตรัสว่ายอมได้ความยินดีในธรรมะนั้นหมายเอาความยินดีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระบาลีที่ตรัสว่ายอมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมนั้น ด้วยอำนาจความยินดีทั้งสองประการและในเทวตานุสติกถาพระพุทธพจน์ใดที่ตรัสไว้ว่าปรารภซึ่งเทวดาทั้งหลายดังนี้พระพุทธพจน์นั้นนักศึกษาพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยอำนาจแห่งจิตที่เกิดปรารภเทวดาทั้งหลายในส่วนเบื้องต้นอย่างหนึ่งตรัส ด, ด้วยอำนาจจิต ที่เกิดปรารภคุณทั้งหลายอันให้สำเร็จเป็นเทวดาเช่นเดียวกับคุณของเทวดาอย่างหนึ่งอนุสติหกสำเร็จเฉพาะอาริยสาวกอนุสติหกประการเหล่านี้ย่อมสำเร็จเฉพาะแกะอริยสาวกจาพวกเดียวเท่านั้นเพราะว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ย่อมปรากฏแก่อริยาสาวกเหล่านั้นและอริยาสาวกเหล่านั้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันทรงคุณมีความไม่ขาดเป็นต้นประกอบด้วยจากาชนิดที่ปราศจากมนทินและความดรณีประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเช่นเดียวกับคุณของเหล่าเทวดาผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ และในมหานามสูตรอนุสติหกประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคอันเจ้ามหานามกราบทูลถามถึงธรรมะเป็นเครื่องอยู่อาศัยของพระโสดาบันได้ทรงแสดงไว้โดยพิสดารเพื่อทรงแสดงถึงธรรมะเป็นเครื่องอยู่อาศัยของพระโสดาบันโดยเฉพาะแม้ในเขตทสูตรพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงอนุสติหกประการ เพื่อประสงค์ชำระจิตแล้วบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ขั้นปรมัดยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งอนุสติเฉพาะแก่อริยาสาวกไว้อย่างนี้คือภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในศาสนานี้ย่อมระลึกเนื่งเนืองด้วยตถาคตว่าอิติปิโสภัควาในสมัยนั้น จิตของเธอย่อมตรงดิ่งออกไปพ้นไปปราดไปจากเคทะภิกษุทั้งหลายคําว่าเคทะนี้แหละเป็นชื่อของกามคุณห้าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางจำพวกในศาสนานี้ทาพุทธานุสติฌานแม้นี้แหละให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยประการชนนี้ แม้ในสัมภาโขกาสสูตรที่ท่านพระมหากัจยานะแสดงท่านก็แสดงอนุสติฐานหกประการด้วยสามารถแห่งอันได้ซึ่งโอกาสเฉพาะแก่อริยสาวกเพราะเป็นผู้มีธรรมะอันบริสุทธิ์ขั้นปรมัต์อย่างนี้คืออาวุโสทั้งหลายน่าอาัศจรรย์อาวุโสทั้งหลายสิ่งไม่เคยมีได้มีแล้ว คือข้อที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นเป็นอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้โอกาสอันจะพึงบรรลุในคารวะอันคับแคบเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพานโอกาสอันจะพึงบรรลุนั้นได้แก่อนุสติหกอุสติฐานหกคืออะไรบ้างอาวุโสทั้งหลาย อริยาสาวกในพระศาสนานี้ย่อมระลึกเนืองๆถึงพระตถาคตเจ้าอาวุโสทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางจําพวกในพระศาสนานี้ทำพุทธานุสติฌานแม้นี้แลให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เป็นธรรมดาด้วยประการฉะนี้แม้ในอุปสัสถาสูตร ก็ทรงแสดงอนุสติหกประการเฉพาะแก่อริยาสาวกผู้เข้าจำอุโบสถเพื่อทรงแสดงถึงภาวะที่อุโบสถมีผลมากด้วยอำนาจกรรมฐมานอันเป็นเครื่องชำระจิตอย่างนี้คือวิสาขาก็อริยะอุโบสถเป็นไนวิสาขาได้แก่การชำระจิตที่เศร้าหมองให้ผุดพองด้วยความพยายาม วิสาขาการชำระจิตที่เศร้าหมองให้ผุดผ่องด้วยความพยายามเป็นไฉนวิสาขาอริยสาวกในศาสนานี้ย่อมระลึกเนื่อ ง, ง, งถึงตถาคตว่าแล้วทรงแสดงอนุสติหกประการแม้ในเอกาทสกานิบาตเมื่อเจ้ามหานามะกราบทูลถามว่า ถ้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์เมื่อพวกข้าพระองค์เหล่านั้นอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ต่างๆกันข้าพระองค์จะพึงอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะไรเพื่อทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องอยู่พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงอนุสติหกประการเฉพาะแกะอริยาสาวกเท่านั้นอย่างนี้คือมหานามะบุคคลผู้มีศรัทธาแล จึงจะเป็นผู้บันดาลให้สำเร็จได้บุคคลผู้ไม่มีศรัทธาบันดาลให้สำเร็จหาได้ไม่มหานามะบุคคลผู้ปราบรความเพียรมีสติมั่นคงมีสมาธิมีปัญญาจึงจะเป็นผู้บันดาลให้สำเร็จได้บุคคลผู้เกียจคร้านมีสติหลงลืมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา หาบันดาลให้สำเร็จได้ไหมมหานามะท่านจงดำรงอยู่ในธรรมะห้าประการเหล่านี้แหลแล้วพึงเจริญธรรมะหกประการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมหานามะท่านพึงระลึกเนืองเนืองถึงตถาคตว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นกัลยานปุตชน ก็บำเพ็ญอนุสติอกได้แม้ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามทีอันปุตุชนผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลอันบริสุทธิ์เป็นต้นก็ควรสนใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกัลยานณะปุตุชนระลึกหนึ่งเนืองอยู่ถึงพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเป็นต้นจิตย่อมผ่องใสแม้ด้วยอานาจแห่งการระลึกหนึ่งเนือ ง, งนั่นเทียว กัญยาณปุถุชนข่มนิวรณทั้งหลา ย, ยด้วยอนุภาพแห่งจิตอันพองใสมีความปราโมทอย่างยิ่งเริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะพึงทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันตได้เหมือนกันเหมือนอย่างพระปุตตะเทวะเทระผู้อยู่ที่กัตถะอันทการวิหารเรื่องพระปุตตะเทวะเทระ ได้ยินว่าท่านผู้มีอายุนั้นได้เห็นพระรูปพระพุทธเจ้าอันมาเนริมิตรขึ้นได้ปีติอันมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้านิรมิตรนี้ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ก่อนก็ยังสวยงามถึงอย่างนี้องค์พระผู้มีพระภาคแท้จะไม่สวยงามอย่างไรเล่าเพราะพระองค์ทรงปราศจากราคะโทสะ โมหะโดยประการทั้งปวงครั้นแล้วก็ยังวิปัสนาปัญญาให้เจริญได้บรรลุระอารหัตแล้วชะนี้แหละปริเชตที่เจ็ดชื่อว่าจะอนุสตินิเทศในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในประการวิเศษชื่อวิสุธทธิมักอันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อความปราโมทย์แห่งสาธุชนดังนี้จบปริเฉตที่เจ็ดคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเถระรจนา